ญญข้อหกริบสก็ภิกษุณีใดรู้อยู่ไม่บอกพระราชาสงฆ์คณะสมาคมหรือกลุ่มชนให้ทราบบวชให้สตรีผู้ปิจ์โจรซึ่งเป็นที่รู้กันว่าต้องโทษประหารเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาธิเศษที่ชื่อว่าปัทมาปฏิกะนิสรณียะเรื่องชายาเจ้าลิชวีกับภิกษุณีทุลันนาจบ